นี่ก็เป็นช่วงเวลาของการปฏิบัติธรรมก็โดยเฉพาะในช่วงของผู้ที่ภาวนาเวลานั่งสมาธิเนี่ยไม่ว่าหยัดโยมหรือว่า พระคุณเจ้าก็ดีหลักของการนั่งสมาธิถ้าไม่เข้าใจก็นั่งหลับตาเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันง่วงหลับไปอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิเด็กก็ทำได้ใครก็ทำได้หลับตาแล้วก็ปล่อยหลับ ตัวเอียงไปเกือบจะล้มก็ยังไม่ทราบหน้าก้มจะทิมดินก็ยังไม่รู้บางคนก็เคลิมโยกเยกโยกเยกอยู่ตลอดก็ยังไม่เข้าใจฉะนั้นหลักของการนั่งสมาธิ ทั้งผู้ใหม่และก็ผู้เก่าบางคนก็ปฏิบัติจนเป็นนิสัยนั่งแล้วก็เพลินไปกับการนั่งหลับสบายจริงๆการนั่งสมาธิให้ถูกต้องจริงๆการเริ่มต้นของการนั่งไม่ใช่เอาสมาธิ เป็นจุดเริ่มนะต้องเอาสติเป็นตัวตั้งก่อนเอาสติเป็นตัวตั้งกำหนดทําความระลึกรู้อย่างขณะที่นั่งจะเป็นขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหรืออยู่ในอิริยาบถการนั่งแบบไหนก็ตามเอาว่าให นั่งแล้วมันพอดีแล้วก็สบายสามารถนั่งได้ได้นานทุกคนก็จะทราบว่าเรานั่งในลักษณะไหนจริงนั่งได้ได้นิ่งได้ทนพอเราเริ่มนั่งกำหนด มีสติต้องตั้งสติก่อนทุกครั้งสมาธิเนี่ยมันทีหลังถ้าสติดำรงตั้งไม่ได้สมาธิก็อย่าหวังว่าจะมั่นคงได้ไม่ได้เอาสติกำหนดทําความระดึกรู้ในขนาดที่นั่งเอาอย่างรูปกายที่นั่ง ทุกคนนั่งเห็นรูปกายอย่างกำหนดพอหลับตาเนี่ยหลับแค่เปลือกตานอกแต่ตาในไม่ได้หลับหลับก็คือหลับตาเหมือนเหมือนคนที่นั่งเพียงว่าพักผ่อนใส่ตาหลับตา หรือไม่ต้องไปมองสิ่งข้างนอกก็หลับตาในระหว่างระหว่างที่หลับตาใจไม่ได้หลับกายไม่ได้หลับจะบอกว่าพักสายตาก็ได้หลับตาหลับเปลือกตา แต่ทำความระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมหมดทั้งสติและสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพรอ้อมนั่งรักษณะไหนต้องรู้สมัยจะมาฝึกใหม่ๆเวลาจะมาถอนออกจากสมาธิธรมมก็ค่อยหลีตาสังเกตดูว่า นั่งเหมือนท่าที่ตอนเข้าใหม่ๆห ม, มันเทไปหน้ามากเอียงไปหลังคอตกคอเอียงแค่ไหนก็หัดพิจารณาสังเกตพอลืมตาดูมันอยู่ลักษณะไหนบางครั้งก็เหมือนถูกหลอกมันกับตัวนี้โครงก็หลีตาดูก็ไม่โครงนะ ก็ไม่ได้โครงไปไหนมันตัวจะโยกเอ๊ะมันก็ไม่ได้โยกคอยเอาสติกำหนดรู้ลักษณะฝึกไม่ใหม่ใหญ่ๆยาคนไม่พิจารณาเขาบอกให้รับมีดดันไปถูเหล็ก คมมันไม่เกิดถูไปถูมาคมมันก็ไม่เกิดก็ บ, บอกให้รับมีดอันนี้ดันไปถูเหล็กไม่มีทางสิบปีอย่างดีก็ถูจนเหล็กเคี่ยนหมดคมมันไม่เกิดบางคนรับมีดยังไม่เป็นต่อมาก็เคยลองดูไปรับรับยังไง เห็นคนก็รับเป็นแค่สี่ห้าครั้งช่วชะชชะเอาแค่ขนาดปากองค์เขาก็ยังรับได้ปุ๊บป๊บปบปบ๊ไม่ต้องใช้หินรับเมตรเราก็ไปรับบ้างทำไมมันทืะ อ, อยังไม่ขมนะพี่แสดงว่าเอาเหล็กไปถูกับ หินลับมีดเหล็กเขี้ยนเปล่าๆไม่เกิดคมเหมือนการภาวนาถึงบอกบางคนจริงขาดการใคร้กรวนพิจารณาเช่นพอเราเริ่มพิจารณาหลับเปลือกตานอกรูปกายตั้งอยู่ลักษณะไหน ใหม่ๆนะโยมถ้าเราฝึกจุดเล็กๆไม่ได้เราฝึกจุดใหญ่ๆเลยใช้สติะระลึกกําหนดอยู่กับกายในรูปกายคันก็รู้เจ็บก็รู้ปวดก็รู้เวทนาเกิดทางกายก็รู้เกิดอะไรก็วางไว้ก่อนเกิดอะไรก็นิ่งดูไปก่อน ถ้าเวทนาเกิดมากอย่างเช่นปวดเขา่าปวดขาปวดเอวปวดหลังเหน็บะคิวกินมากๆ ก, ก่อนที่จะขยับร่างกายก่อนที่จะเปลี่ยนอิริยาบถเอาสติกาหนดก่อนทำความรู้สึกค่อยๆขยับเปลี่ยนอิริยาบถขวาเป็นซ้ายซ้ายเป็นขวา ก็สุดแล้วแต่พระเพียบคุกเขาอะไรก็ได้ในระหว่างที่เปลี่ยนอิริยาบสถสติกำหนดจดจ่อรู้อยู่ขณะปัจจุบั น, นเปลี่ยนครับเปลี่ยนกายเคลื่อนจิตไม่เคลื่อนไม่ส่งออกข้างนอกนี่เป็นการเคลื่อนไหวของกายแล้วก็นั่งต่อ ทำความระลึกรู้รูปกายนั่งจนสามารถกำหนดรูปกายรู้ลักษณะของรูปกายพลิกเจ็บปวดเนบชาร้อนมีสติอยู่ทุกอิริยาบถถ้าทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวสามาธิเกิดไม่ต้องห่วงก่อไฟให้ติดก่อน ไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่เดือดถึงบอกสติเป็นใหญ่สติมะโตไม่ธรรมดาสภาพัดถังพวกมีสติย่อมเจริญอยู่ทุกเมื่อไม่ต้องกลัวพอเราสามารถฝึกรู้ลักษณะรูปกายได้เอาเกิดนั่งไปนั่งมาเกิดมีอาการอ่อนเพลียง่วง อาการที่อ่อนเพลียเนี่ยง่วงเนี่ยเรารู้นะแต่เราจะพยายามเจริญสติไม่ให้อาการนั้นครอบงำรูปกายอาศัยสติสัมปชัญญะคอยประคองทำท่าง่วงรู้แต่ไม่ปล่อย ถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้จนสามารถสติกำนดรูปกายประคองกายได้ต่อไปพอเราสามารถฝึกจนสามารถที่มีสติไปในกายทีนี้ก็จะจดจ่อลงไปก็คือสติกำนดจิตเข้าไปเมื่อกายฝึกดีได้กายดํารงตั้ง สติกำหนดลงไปที่จิตอาจจะใช้ดูลมภาวนาก็ได้สุดแล้วแต่สักรยานหนึ่งถ้าสติตั้งมันเนี่ยมันจะไม่กัดแกว่งไม่เคลิบเคลิบมกำหนดไปเราใจเห็นความนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งลงไป จนเกิดความสงบภายในที่เรียกว่าใจใจที่สงบแนบแน่นจึงก่อเกิดแห่งสมาธิตั้งแต่คณิกะ ส, าาะสมาธิอุปจารสมาธิหรือถึงขั้นอัปปนาสมาธิมีสามระดับถ้าคณิกะก็เกิดแค่ชัว่ววูบุบาเดี๋ยวหลุดอีกแล้ว ถ้าอุจจาระก็เกิดได้นานหน่อยก็แนบแน่นไปหน่อยแต่ถ้าถึงอปนาสมาธิสามารถที่จะเข้าถึงกิจอันเข้าฌานอันลึกลึกแต่ส่วนมาก ในการปฏิบัติภาวนานะพอถึงจุดหนึ่งนะเราไม่ได้ติดในองค์ฌานไม่ได้ติดเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิเราจะต้องมีสติในขณะจิตที่สงบอยู่เราก็ยกมาพิจารณาธรรมอันมีรูปธรรมนามธรรมกำหนดนิจพิจารณา สามารถกำหนดได้สรรพสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่แสดงมาเราก็สามารถเห็นได้เหมือนกันว่าอ๋อไม่เที่ยงอย่างนี้รูปกายเป็นอย่างนี้ธาตุดินธาตุน้นธาตุลมธาตุไฟความสุขความทุกเกิดอย่างนี้ความยินดีพอใจความยินร่ายไม่พอใจความโลภโกรธลงเกิดอย่างนี้ใจจะรู้ อย่างนี้จึงเรียกว่าการภาวนาที่เกิดมรรคผลกับการภาวนาที่อยู่เพียงองค์ฌานอยู่กับอัปนามันกับหินดแบบนี้ก็จะไม่บรรลุดังนั้นมันต้องมีสมาธิอยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องยกจิตขึ้นมาพิจิดพิจจารณาพอเราทําได้อย่างเนี้นั่งปุ๊บ รู้อาการเคลิม้มอาการหลับนมันจะไม่เกิดง่วงซึมรู้แต่เราอยากอาการนั้นครอบงำถ้า ง, ง่วงมากลุกเดินเดินแล้วยังง่วงไปล้างหน้าล้างตาเห็นไหม่ยมมันมีวิธีล้างหน้าล้างตาแล้วยังไม่หายคงจะเพลียแบบร่างกายมันต้องพักผ่อนก็ไปนอน อย่างเรานอนมาแล้วเงี้ยเรามาปฏิบัติไม่กี่ชั่วโมงก็หลับแล้วมันไม่ใช่นั่นถูกนิวรครอบนิวรครอบทำให้เข้าใจพอนั่งสมาธิพอนั่งปุ๊บเอาสมาธิเข้าสู่ความเงียบปลอยมันว่าเชือกขาดโยมเล่นว่าเชือกต้องไม่ขาดถ้าเชือกขาดนเวราหลุด มันเสียไปเลยนะไม่ได้โยมต้องประคองไว้ต้องประคองเกิดอาการนิยมรู้แล้วรู้แล้วพอเราสามารถประคองกายมีสติได้ต่อไปเสียงได้ยินเราก็สามารถกำหนด แล้วก็วางเฉยได้ยินอะไรก็รู้เฉยโยงรู้หรือเปล่าว่าสมาธิเกิดไปด้วยในขณะเดียวกันที่เราฝึกสติทำความระลึกรู้ถึงบอกบุคคลใดรู้เท่าทันในอารมณ์ปัจจุบันบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสติอยู่มีสติสัมปชัญญะดูคนไม่มีสติคนเมากินมากๆเดินโซเซโซเซ ลุกขึ้นมายังบอกไม่เมานะกินอีกอวกแล้วอ้วกอีกก็บอกไม่เมาเดินสุดท้ายถามว่าบ้านกลับกลับบ้านบ้านไปทางไหนนะไปถามใครจเจอจเจอเมียภรรยาเรียกน้องสาวรู้จักบ้านของพี่ไหมน้องสาวก็วิบใหญ่เลย เขาก็ทังน้ำสตร์ลงมาจากไกลเลยน้อยเมาและเรียกเมียเป็นน้องสาวถามว่าบ้านพี่ไปทางไหนยมตอบบ้างไงเสียงว่าเมาจนไม่ได้สติแล้วประคองอะไรไม่ได้แล้วมันเสียสูตรฉันต้องฝึก ใครที่นั่งโยกแยกนั่งง่วงนั่งไหลนั่งหลับไม่ใช่เข้าสมาธิมันเป็นสมาหลับบางคนทําวิปัสสนาไม่ได้เป็ดหรอกเป็นวิปัสสนึกนั่งก็นึกไปทั่วจิตอยู่ตรงนี้อล่องลอยไปเหมือนนอกน้อยบินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันต้องนิ่ง มันต้องมีกำลังต้องมั่นคงต้องสงบจุดนี้ที่พวกเรายังขาดเห็นไหมเวลาน้ําเชี่ยวคนจะไหายข้ามฟากถ้ากําลังไม่พอน้ํามันก็ซัดไหลไปตามน้ําแต่ถ้ากําลังพอถึงจะน้ําเชี่ยวยังไงก็ตามก็ยังสามารถที่จะว่าย ข้ามฝั่งได้มันอาจจะไม่ตรงเป็นเส้นตรงเลยเพราะการปัททะของแรงน้ำอาจจะทำให้เราเคลื่อนบ้างแต่ยังไงเราก็ยังไปถึงฝั่งมันก็เหมือนกันหมดฉะนั้นสติเนี่ยเหมือนหางเสือยมตั้งฝึกให้ดีตั้งฝึก ให้รู้เท่ารู้ทันนั่งปุ๊บตมาก็ฝึกตีหนึ่งตีสองตีสามใครง่วงใครหลับตมาไม่นั่งทีอยู่กับเวทนากล้าด้วยนะเจ็บปวดนั่งดูมันเจ็บยังไงใจไม่โกรธเจ็บยังไงใจสงบนั่ง ทดสอบจิตนั่งพิสูจนใจตัวเองนะบางทีก็รู้สึกทรมานเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยการปฏิบัติที่สุดแล้วธรรมะอยู่ไหน ตมาก็จะต้องถามตัวเองทุกครั้งความสงบก็ยังไม่ใช่ความหลุดพ้นสมาธิจิตอย่างเดียวก็ไม่ใช่ความหลุดพ้นไม่ใช่รักษาศีลอย่างเดียวก็ยังไม่ใช่ความหลุดพ้นและจะหลุดพ้นได้อย่างไรนั่งอยู่ยงี้หรือจะหลุดพ้น ก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆ อ, อีกหน่อยร่างสังขารนี้ก็ใช้เขาไม่ไหวแล้วเขาก็ไม่ไหวสังขารก็ร่วงโรยไปตามกาลเวลาแล้วธรรมะอยู่ที่ไหนสมาธิก็นั่งแล้วศีลก็รักษา พุทโธก็พุทโธแล้วดูลมก็ดูแล้วทานก็ได้ฉละไปแล้วแล้วจะหลุดพ้นยังไงบอกมักมีองค์แปดเริ่มจากสมาธิทิความเห็นชอบเห็นทุกเหตุของทุกความดับการดำเนินก้าวล่วงออกจากทุกข แล้วมันเก้าวยังไงสัมมาวาจาสัมมาสังกปะสัมมาวายาโมสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสมาธิสัมมาสติก็ลวนแต่บอกทางไงลองไล่ดูทุกเหตุของทุกความดับทุกการก้ราวลงออกจากทุก การไม่มีใจพยาบาทอาฆาตมุ่งร้ายทำลายผู้อื่นนี่ล้นแต่เป็นมรรคในองค์แปมันก็อยู่ในข้อศีลอยู่แล้วสัมมาสมาธิมันก็อยู่ในการทำฌานอยู่แล้วสัมมาวจาก็อยู่ในข้อศีลไม่พูดเล็ดพูดสอดเสียดไม่เพื่ อ, อให้ร้าย มันมีความเพียรอีกสัมมาวายามะสัมมามันก็อยู่ในวิทยะบารมีเราก็ทำอยู่แล้วแล้วมันอยู่ตรงไหนในที่สุดการภาวนาปฏิบัติบางทีก็เหมือนเป็นทางตัน มืดกับสว่างมันเป็นสิ่งที่คู่กันดีกับชั่วสั้นกับยาวมันคู่กันหมดขาวกับดำมันคู่กันและสุดท้ายพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรมีพระมหากรุณาธิคุณมีพระปัญญาที่คุณ มีพระบริสุทธิ์ที่คุณสามอย่างนี้เลยเป็นพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศมีพระปัญญามีพระกรุณามีพระบริสุทธิ์ทํำยังไงโยมให้มีปัญญาให้มีเมตตาให้มีความบริสุทธิ์จึงบรรลุเหมือนพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ทำมา มันเหมือนเป็นโจทย์จะว่าจะต้องมีปัญญาจะต้องมีเมตตาจะต้องบริสุทธิ์จึงจะบรรลุธรรมได้นี่คือโจทย์แส น, นจงไปแต่งกระทู้หรือเรียงความโยมแต่งยังไงล่ะ สิ่งเฉพาะคนนั้นสำเร็จได้หรือไม่ได้กันยมจะแต่งยังไงขึ้นกระทู้คำว่าปัญญาอะไรคือปัญญาปัญญาคืออะไรคำว่าฉลาดสมองดีจึงมีปัญญาหรือจำแม่นจึงชื่อว่าปัญญา หรือเก่งจริงชื่อว่าปัญญาเช่นคนสอบได้ที่หนึ่งก็มีปัญญาทีจูม่ยมคนได้เกียรตินิยมได้ทุนไปเรียนนอกก็มีปัญญาหมดอ่อนั่นเขาเรียกว่าคนเขามีสมองดีความจำสัญญาดีปัญญาตนนี้ที่สุด มามาเห็นอ๋อที่แท้ปัญญานี้คือต้องดับทุกข์ให้ได้มนุษย์ยังดับทุกข์ไม่ได้ฉลาดแค่ไหนก็ยังไม่เรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตต์ต้องเติมว่าปัญญาวิมุตต์อุดมชนไม่ได้มีคําว่าวิมุตต์นะมีคำว่าแหม่คนนี้ปัญญาดีเฉลียวฉลาด แต่ไม่ได้เขียนว่าปัญญาวิมุตตของพระพุทธเจ้าพระอระหันต์ปัญญาวิมุตตมันต่างกันตรงนี้นะคาว่าวิมุตตปัญญาที่หลุดพน้นหลุดพ้นทุกข์อ๋อเอาละเข้า ม, มาสมาธิฏฐิแล้วทีนี้ความดับทุกข์การก้าว่วงออกจากทุกข์ทีนี้ยมจะแต่งไง เอาปัญญามาดับทุกข์โยมแต่งแต่ขึ้นยังไงดีแต่งแต่กำเนิดเกิดมาดิฉันมีสองขาสองหูสองมือสิบนิ้วมือสิบนิ้วเท้ายังไม่เป็นนะโยมนะมีเป็นแค่รูปกายพอเติบโตใหญ่มาเอาไงต่อโยม ดิฉันก็อ่านออกเขียนง่ายจำเร็วกอไก่ขอไข่จำได้สละอาสละอาอ่านว่ากาขาว่าแปมันก็ยังไม่เป็นดนี่เรียนอย่างนี้มันยังไม่ได้ดับทุกข์คำว่าปัญญาบิมุตต้องเรียนในชีวิตจริงไม่ใช่เรียนในตำรา ปัญญาวิมุตถาเรียนจากตำราอย่างเดียวนะศึกษาได้แต่ใช่จะทำได้ฉันจะต้องพิสูจน์ว่าปัญญาของใครวิมุตถ a ก็ต้องดูว่าใครมีปัญญาไม่ให้จิตนั้นทุกได้หนึ่งปีที่ผ่านมาใครไม่เคยทุกข์บ้างยกมือขึ้น แสงว่ายังไม่ถึงอรหันแล้วหนึ่งปีที่ผ่านมาใครไม่เคยเสียใจบ้างหนึ่งปีผ่านมาใครที่ไม่เคยกโกรธบ้างเลยเหมือนถามลมอะนะ หนึ่งปีผ่านมาใครไม่มีความโลภเลยจิตใจมันไม่ต้องปทุกกับไม่อยากรวยเลยนะถามมันถามตัวเองเห็นไหมแสดงว่าจิตของเรายังมีทุกข์อยู่ตราบใดจิตยังมีทุกข์บอกเรียกได้ว่า น, นี่คือผู้มีปัญญา อันทองแท้ของชีวิตที่เกิดพูดไม่ได้ฉะนั้นพระไดเจ้าบอกพระปัญญาที่คุณมีปัญญาปัญญาของพระองค์คือปัญญาวีมุตหลุดพ้นจากทุกข์ชั้นใครก็ตามที่สามารถดับทุกขได้เวลานั้น ชื่อว่ามีปัญญาดับครั้งหนึ่งก็มีปัญญาครั้งหนึ่งดับร้อยครั้งก็มีร้อยครั้งแต่ถ้าดับได้ตลอดคืนวันนั่นคืออลลฮั์แท้จริงยากไมโยมขนาดจะนอนเสียงดังยังลุกขึ้นมาตะโกนด่าเช่เลยโยมว่ามีปัญญาไหมโกรธ จะนอนมากวนได้ทีนี้ทำยังไงให้ทุกเนี่ยมันดับโยมไปเขียนกระทู้เองมาแต่งให้โยมไม่ได้หรอกเพราะว่าชีวิตแต่ละชีวิตล้วนมีเหตุผลไม่เหมือนกันล้วนมีปัญหาก็แตกต่างกัน บางคนเกิดจากสุขภาพร่างกายที่ไม่เอือ้อไม่แข็งแรงบางคนเกิดจากหนี้สินท่วมตัวบางคนเกิดจากลูกไม่ได้ดั่งใจสามีไม่ได้ดั่งใจบางคนชักหน้าไม่ถึงหลังหาเช้ากินคำ่ำบางคนก็ได้คนขี้เหล่าเมายาลูกเมียวุ่นวายบางคนก็อยู่กับคนเห็นแก่ตัวคอยเบียดเบียน พูดไปก็เหมือนทะเลาะกันเมื่อไรจะตายจากกันก็คงภาวนาได้แค่นั้นได้โยมมากกว่านี้ก็ทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นปัญหากระทู้เนื้อความตรงนี้โยมต้องไปหาเองว่าปัญญาคืออะไรปัญญาอยู่ที่ไหน พอโยมหาเจอจิตจะพ้นทุกเห็นไหมเอาละหมดไปข้อหนึ่งนะข้อสองมีพระมหากรุณาธิคุณข้อนี้น่าจะทำง่ายกว่าหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็แล้วแต่นานาจิตต่างๆคนต่างจิตต่างใจไม่รู้ว่าโยม ถ้าจิตใจเราไม่มีเมตตาแล้วก็บรรลุไม่ได้เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ประกาศชัดเจนว่ามีพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณฉันตัวเมตตาตัวนี้น่าจะง่ายกว่าเพื่อนเลยนะถ้าโยมมีเมตตาจริง ความผูกใจเจ็บเกลียดแค้นพยาบาทชิงชังยมต้องละทิ้งให้หมดอาตมาบอกว่าจงหันหลังให้อดีตที่เจ็บปวดจงปล่อยวางปัจจุบันที่ยึดมัน่นและจงมองอนาคตด้วยความไม่เที่ยงบางอย่างมันจะเกิดใช่ว่าเราอยากให้เกิด บางอย่างบางเรื่องอยากให้เกิดใช่ว่ามันจะเกิดอันนี้จังจริงๆฉะนั้นจุดเมตตาใครทำได้เพียงไหนมันอยู่ที่โยมแล้วล่ะแววตาของแต่ละคนใช่ยังดูร้ายยังแข็งกร้าวยังก้าร้าวยังริษยาเห็นแก่ตัว เห็นใครดีกว่าแล้วไม่ได้ไนหะไปไม่รอดเช่นเมตตาตัวนี้เป็นคุณธรรมไม่ธรรมดาพระโพธิสัตว์อยู่ด้วยเมตตาเป็นหัวใจนะขาดเมตตาเป็นโพธิสัตว์ไม่ได้ขาดเมตาเมาเมตาภาวนาจิตสําเร็จไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นโยมต้องเริ่มแล้ว เริ่มอย่าทำเป็นคนหน้าดุทำเป็นคนหน้าเย็นหน้ายิ้มบ้าอย่าทำเป็นคนตาขุนทำเป็นคนตาใสบ้ามองอะไรอย่าตาขวางมองอะไรมองให้มันเย็นเย็นบ้ามองก็ต้องมอง ที่นี้เมตตาจะเกิดไม่เกิดโยมต้องกำหนดให้ได้ไม่ย่งงนั้นอุนทางความสำเร็จไม่รู้อยู่ไหนภาวนามาเป็นห้าปีสิบปีแต่เราไม่รู้ว่าคุณธรรมที่จะบรรลุเราสามารถบรรลุได้แต่ขาดความเข้าใจที่มุ่งมั่นต่อการภาวนาพอโยมรู้อย่างนี้แล้วเนี่ย ต้องมีเมตตาปรารถนาให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนี่คือประการหนึ่งเลยเมื่อโยมมีจิตใจปรารถนาให้ชีวิตสัตว์น้อยใหญ่มีความสุขทุกทั่วหน้าแล้วนะต่อมาความกรุณาก็เกิด เห็นอะไรที่พอจะช่วยเหลือได้ที่พึงที่จะช่วยได้ถ้าสมเาเวลานั้นเราเดินมาเอาละโยมมีงูงูเลื้อยมาตัวนะ่ะเป็นงูเข่าซะด้วยพอโยมเห็นปุ๊บ โมเป็นนึกถึงสิ่งชั่วของงูก่อน้งูมีพิษจับหินหรือจับมาได้ก็ฟาดก่อนเลยโต๊งูมันนึกอยู่ในใจแต่มันยังไม่ไดันพูดมันบอกพิษงูไม่ร้ายเท่าใจคนแน่มันด่าโยมแล้วนะมันบอกมันเจอพวกมันเองว่างูมีพิษมันยังไม่ตายมับอก เจอเสือมันยังไม่ตายแต่พอเจอมนุษย์มันตายมันบอกมนุษย์ร้ายกว่าพิษงูยมยังไม่รู้ตัวนะยมบอกมันเป็นสิ่งมีพิษแต่พอเจอเรามันจบชีวิตพิษไหนแรงกว่าอันนี้โดยสัญชาตญาณเลยเพอเจอปุ๊บ จับไม้ได้เจอหินได้ก็ตีให้ตายแต่พอเจอคนที่เจริญธรรมมีเมตตามาพอเจอปุ๊บพอเห็นงูปุ๊บเออไปเถอะอย่าอยู่ใกล้มนุษย์เลยเขากลัวท่านเดี๋ยวจะมีภัยเพราะท่านก็มีพิษมนุษย์ ที่ไม่รู้ธรรมะก็จะมองท่านเป็นภยัยงั้นทางที่ท่านควรไปก็รีบไปเสียถึงเราคาดท่านวันนี้ถึงท่านตายแช่ว่าเผ่าพันธุ์ท่านจะหมดมันก็ไม่หมดงั้นก็ทางใครทางมันจงเป็นสุขและอย่าเบียดเบียนใครนะ ถ้าฆ่าตายวันนี้แล้วมันหมดอตมาจะยอมทําบาปสักครั้งน่ตีงูตัวนี้แล้วหมดเลยโลกนี้จะไม่มีงูอีกแล้วแต่ตีตัวนี้ตัวอื่นก็มีงูมันก็มีครอบครัวนะโยมเขาก็มีครอบครัวมีลูกมีหลานมีเหลนมีเผ่าพันธุ์มีสามีมีภรรยาเขาก็มี มีโกรธเจ็บแค้นเหมือนกันมีฉะนั้นจิตใจยอมมองในจุดไหนถึงบอกเหตุผลถ้ามองงูมีพิษทัางไปกัดคนคนอื่นก็ตายหรือว่าพี่น้องลูกหลานเราเคยถูกงู ก, กัดตายถ้าเห็นว่าไรเราต้องตีให้ตายแนะ่เพราะเราจำได้ว่า มันเคยทำให้ญาติพี่น้องเราตายแต่บางบางคนเขาตีไปตั้งสามตัวโยมทำเกินไปแล้วสองชีวิตโยมสร้างกรรมมากกว่าเขาด้วยซําไปเขาฆ่าเราหนึ่งเราฆ่าเขาสามแต่เรายกตัวว่าเราเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ถูกกฎหมายแต่ค่าสัตว์ บางชนิดไม่ผิดกฎหมายมนุษย์ตั้งแง่เองไปถามสัตว์ดูมันคิดเหมือนเราไหมไม่หรอกทุกชีวิตลวนรักตัวกลัวตายลวนรักชีวิตทั้งนั้นฉะนั้นความเมตตาตัวนี้มันโยมจะแต่งกระทู้แบบไหน ยมจะเริ่มต้นยังไงว่าเมตตาของตัวกระผมตั้งแต่ได้ศึกษาธรรมมารู้สึกยังไงโยมก็ว่าไปเจออะไรทำอะไรแบบไหนแต่บ่งบอกถึงความเมตตาหรือเปล่าเคยคิดช่วยเหลืออะไรบ้างสังคมโลกพูดด้อยโอกาสเงินทองที่มีเคยเจอจานอะไรบ้าง แต่ถ้าโยมเข้าใจว่าเออฉันมีเงินก็เป็นเงื่อนของฉันฉันหามาด้วยอยากเงินแรงงานก็ถูกนะงั้นโยมเก็บฝากแบงค์ไว้เลยฝากไปฝากไปเลยไม่เกินร้อยปีหมดพูดจริงนะฝากไปเถอะกี่หมื่นกี่พันกี่แสนล้านฝากไปไม่เกินร้อยปีหมดหมดแบบ ไม่มีปัญญาหามากับเป็นเกือบตายที่แท้หามาเก็บไว้ทำไมไม่กอ่อทำไม้ประโยชน์มันเกิดเรามีโอกาสสร้างบารมีทำไมไม่สร้างบารมีคนก็อยากสร้างบุญสร้างบารมีเยอะแย ะ, ย, ะยมรู้เปล่าใจทำมามคิดอะไร ถ้าจะมาเป็นผู้มีเงินทองเยอะจะมาจะเปิดโรงทานเลยมาทั้งสี่ทิศมาเลยวันหนึ่งกาจะทำสักเท่าไหร่สักสามสิบบ่อข้าวจ้างพนักงานมาทำอาหารเลี้ยง ย้ายไปแต่ละแห่งแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภออยู่สักเดือนหนึงก็ย้ายไปเดือนก็ย้ายไปแจกให้ทานสักห้าปีสิบปีเต็มๆวันหนึ่งไม่มีอะไรคิดแต่ให้ทานอย่างเดียวบำเพ็ญทานบา ร, รมีผู้ยากไรผู้ยากจนดูที่ไหนยังขัดสนสถานสงเคราะห์ตรงไหนโรงเรียนตรงไหนยังลําบาก อ า, อาคารละไไม่ดีมีเงินสร้างให้โอ้โหบารมีบุญอย่างนี้นี่ถ้ายมทำต่อเนื่องดีไม่ดีทันท้าสาระเดือดร้อนอาจเดือดร้อนเพราะอะไรผู้มีบุญที่เขาทำบุญจนถึงจุดหนึ่งเนี่ย ผู้เป็นจอมเทพนี่เดินร้อนนะตาแหน่งร้อนคนมีบุญที่อยู่ใกล้เคียงขึ้นมานะบารมีสูงสูงสูงขึ้นคนนั้นจะเป็นใหญ่แทนตําแหน่งไม่ถาวรแม้แต่พระอินท์ก็ไม่ยถาวลเพราะอาศัยบุญนันนะแต่ถ้าผู้ได้สร้างบุญบารมีไว้เยอะตถาทัตตังไว้เปิดลงทานแจก ทำสร้างวัดให้ดีเป็นที่ภาวนามีญาติยุมาปฏิบัตินิมน์พระสงฆ์องค์เนนมอมรุงสมณะชีพราหม์ให้ท่านได้ศึกษาทำปฏิบัติธรรมสร้างบารมีมีเท่าไห ร, ร่พั์เราได้มาแล้วก็ใช้สร้างบารมีสร้างบารมียังไงยังไงเมื่อเราตายทรั์นี้ไม่ไปกับเรา แต่บารมีที่เราสร้างไว้ไปกับเราเขาเรียกเขาไปเบิกทางให้มันเลยไม่ต้องกลัวว่าวิมานจะไม่มีเอาแค่นันทิยะมานนกขนาดว่ายังไม่ตายวิมานรออยู่สูงเป็นร้อยยอดโยมจะไหมคนทําบุญยังไม่ตายวิมานรออยู่ อย่าเข้าใจว่าตายแล้วมีวิมานะมีก่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นซึ่งพระโมคคัลลานะพระโมคคลาเป็นผู้มีฤทธิ์มากองค์นี้ชอบขึ้นสวัสด์ไปเห็นวิมานอยู่หลังหนึ่งสูงใหญ่สวยงามมากก็เลยอยากจะชม พอเข้าไปก็เจอผู้ที่ดูแลก็เลยถามว่าใครเป็นเจ้าของวิมนันี้ผู้ที่เฝ้าดูแลก็บอกว่าวิมาณนนี้เป็นของท่านนันทยะแล้วเจ้าของอยู่ไหนเจ้าของยังอยู่ในโลกมนุษย์ พระโมคคัลลาฟังแล้วสงสัยเจ้าของยังอยู่ที่ไหนนะบอกโลกมนุษย์ช่วยไปเรียนท่านนาทิยะด้วยว่าให้รีบมาได้แล้วมาเสว้ยสุขทิพยวิ ม, มานได้แล้วฝากบอกให้รีบมาได้แล้วพระโมคคัลลายังไม่ปากใจเชื่อ ร้อยเปอร์เซนต์เพราะลงสู่โลกมนุษย์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนเลยและก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่ตนได้ประสบพบมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าโมคลาเธอเห็นแล้วได้ยินแล้วรู้แล้วยายังต้องมาถามเราอีก ทั้งหมดเป็นความจริงดูดิโยบคนยังไม่ตายวิมานรออยู่ด้วยคุณผลบุญที่ได้สร้างเซนาสนะไว้บางคนที่เป็นบริวาร ที่เขาได้มาอนุโมธนาในกุศลผลบุญอะไรเนี่ยบางทีด้วยกุศลผลบุญที่เขามีอยู่ตรงเนี้ยเขาจึงได้ไปอาศัยอยู่กับผู้ที่เป็นต้นบุญจึงเรียกว่าเป็นบริวารก็คอยดูแลรับใช้อาศัยบุญตรงนั้นทำให้เขาได้มีสุกติส่วนหนึ่งถึงบอกการอนุโมทนาก็สำเร็จได้แต่สำเร็จได้ไม่ใช่เป็นเจ้าของ เป็นผู้ได้อยู่ได้ร่วมแทนโยมเวลามาทำบุญต้องมีใครมาอนโมทนาทำบุญร่วมกับเราเนี่ยบุญไม่ได้หายนะมีแต่ว่าบริวารเราจะเพิ่มไม่ต้องกลัวแชดไอเมตตาตัวนี้พวกเรายังขาดเยอะขาดเยอะความริษยาก็มีความโกรธความพยาบาท ผูกใจเจ็บยังมีอยู่เมื่อไหร่พวกเราจะเลิกคิดถึงว่าเขาเคยเป็นศัตรูกับเราเลิกได้แล้วและอดีตมันก็ผ่านเหมือนกับเอาแค่ย้อนหลังแค่สามชาติพอเมืม่อสามชาติก่อนบางคนเกิดยังเป็นวัวอยู่เลย ยังเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นสุนัขอยู่นะเพราะผ่านมาอีกชาติหนึ่งก็ได้เกิดมาเป็นคนผ่านมาอีกชาติหนึ่งด้วยผลดีที่เราได้สร้างขึ้นมาเราก็ได้มาเป็นผู้ภาวนาปฏิบัติเราจะไปยึดถือได้ไหมว่าคนนี้มันเป็นมันเป็นวัวนี่มันไม่ใช่นะเมื่อสามชาติก่อนเนี่ยคนนี้เป็นวัวใช่ คนนี้เป็นลิงเป็นข้างใช่แต่มันจบไปแล้วเพราะกรรมวิบากมันสำเร็จประโยชน์แล้วก็จบไปแล้วคุณโทษมันให้ไปแล้วจบฉะนั้นปัจจุบันที่เราอยู่ที่บอกอย่าไปติดมันเลยอดีตพรและวยกใครทำอะไร ผลกรรมเขาจะได้รับเองโยมไม่ต้องไปผูกใจเจ็บแค้นมันทำให้การภาวนาเรา เ, เสียมรกผลฉันเมตตาส่วนี้ยเรายังขาดตะมาดูไปไม่ได้จริงจิตจิตยังโกรธอยู่ภาวนายังรุ่มร้อนจิตยังพยาบาท ภาวนาแล้วยังอึดอัดจิตยังริศยาภาวนาแล้วไม่สบายเลยใจมันล้วนเป็นค่าศึกทั้งนั้นเลยฉะนั้นผู้ภาวนาต้องกำหนดใหม่โยมต้องแต่งกระทู้เมตตาโยมแต่งเลยว่าอะไรคือเมตตาจิตของโยมควรมีเมตตายังไง ควรแพ่แบบไหนเมตตาถ้าทำไม่ผ่านก็สอบไม่ผ่านสอบไม่ผ่านก็เลื่อนชั้นไม่ได้แต่อายุเราสั้นลงโยมจะมาเล่นเกมอยู่ไม่ได้นะไม่ได้มานั่งยื้อตัวเองอยู่ทำไมทำไมไม่รีบสร้างบารมี เป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็นควายโยมคิดหรือว่าจะได้สร้างบารมีเหมือนมนุษย์อย่างเราๆเนี่ยไม่มีแต่ต้องเจ็บตัวถูกไล่ถูกกักขังอย่างดีก็ได้แค่อาหารชั้นดีแค่นั้นเองชีวิตของสัตว์ฉะนั้นพวกเราโยมแต่งกระทู้ได้ไมาว่าเมตตา โยมจะสำเร็จได้อย่างไรทยมทำเมตตาผ่านข้อสุดท้ายก็คือความบริสุทธิ์ทำยังไงให้ใจบริสุทธิ์ใจโยมทำยังไงให้บริสุทธิ์ เป็นเรื่องใหญ่นะยอมต้องนั่งกำหนดจิตเลยที่บอกนั่งกำหนดจิตจมาจึงรู้ว่ากำหนดจิตคืออะไรฟังบ่อยกำหนดจิตกำหนดให้จิตเล็กจิตใหญ่จิตสว่างจิตมืดจิตขาวมันไม่ใช่กำหนดจิตภายในจิตของเราเป็นมารหรือเป็นพระเป็นกุศลหรืออกุศล มืดหรือสว่างขาวหรือดำกำหนดให้ดีแล้วหยบใจเห็นผู้บริสุทธิ์มีใจอันสะอาดไม่คิดคดทรยศไม่แปดเปื้อนไม่ก้มให้กับสิ่งใดที่ให้เปื้อน จริงบริสุทธิ์ได้ทองเอาไปหลไฟหยดย้อยหลอมออกมาก็ยังเป็นทองเอาไปทวงน้ำก็ยังเป็นทองเอาไปฝังโครนเอามาล้างใหม่ก็ยังเป็นทองฉะนั้นความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ยากที่มนุษย์จะพูดก็ว่าผมบริสุทธิ์ใจถ้าบริสุทธิ์ใจ จะไม่มีภัยให้กับใครเลยและคำพูดทุกอย่างไม่ให้ร้ายกับใครการกระทาทุกอย่างไม่ให้ร้ายกับใครและใจตัวเองก็ไม่ให้ร้ายแม้แต่ตัวเองจริงบริสุทธิ์บริสุทธิ์จึงบอกการภาวนา ออยอมพูดได้ไหมว่าใจโยมบริสุทธิ์ใครกล้าพูดว่าวันไหนยมหลุดปากบอกใจผมบริสุทธิ์หรือใจฉันบริสุทธิ์ถ้าพูดด้วยสัตว์แห่งความจริงแล้วนะ จิตตอนนั้นไม่แพ้เทพธยดาเลยนะและพิสูจน์ยังไงก็ได้ใครจะชี้ว่าผิดยันยัว่าผิดมีข้อมูลว่าผิดแต่ใจฉันบริสุทธิ์ฉันไม่ได้พูดฉันไม่ได้ทำถึงเอาไปตัดขอก็บริสุทธิ์อาโยนน้าก็บริสุทธิ์ ถึงจะปรับปรมยังไงเอาพิมพ์ลายมือก็บริสุทธิ์ไม่ธรรมดาจิตของผู้บริสุทธิ์ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดแม้แต่ความตายที่อยู่เบื้องหน้ามันยากโยมจะผ่านสามดากปัญญาที่ดับทุกขเมตตาที่ปราถนาช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์และจิตใจที่บริสุทธิ์ถ้าสามอย่างนี้โยมทำสำเร็จใครก็ขวางไม่ได้คนนี้บรรลุมรคนิพพานต่อให้จบปสี่มาไม่จบอะไรมาคนนี้ก็คือผู้มีปัญญาบุคคลนี้ก็คือผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องเอาชนชั้นวันนะ มาเทียบไม่ใช่ความบริสุทธิ์ไม่ใช่อยู่ที่เผ่าพันธุ์อยู่ที่การกระทำอยู่ที่จิตใจเป็นความเมตตามันไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะยิ่งมีเมตตาเท่าไหร่ยิ่งไม่มีเลยตรงนั้นพอยมเข้าใจต่อไปพอนาสติกำหนดได้ใจที่รู้ มองเห็นสปปรรพสิ่งทั้งหลายทั้งภายในคือใจตัวเองทั้งภายนอกคือมองออกไปโยมจะรู้วิธีอยู่ยังไงให้สงบแม้ไม่นั่งทำฌานโยมก็รู้หนทางแห่งความสงบพูดอย่างพูดสงบ การกระทําอย่างผู้สงบการเป็นอยู่อย่างผู้สงบและการจากไปอย่างผู้สงบแต่ยมต้องไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆและก็อามิรสินจางรางวันทั้งหมดใจที่เหนือใจคนนั้นก็คือผู้ที่มีใจอันเมตตาบริสุทธิ์และปัญญา ใชมที่บอกไอ้ที่มันนั่งหัวที่มหัวตม้มามาดูแล้วมันมันเหมือนเด็กพระนั่งมาก็ปวดหัวใจเห็นทำแล้วาหานันเวทีขนาดบรรยามันก็จะที่มใจนึกแล้วยถ้ามีธนูมาสักอันจงยิงวิญญาณท่านให้สะดุง้งตื่นนั่งแข็งไว้สักสิบวัน จึงบอกเออท่านรู้ไหมว่าสติเราะลึกอบรมเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดเมตตาเพื่อให้เกิดจิตที่บริสุทธิ์แต่พอเราหลับไหลแล้วมันหมดเลยเหมือนคนยืนเฝ้าหน้าประตูเป็นนายทวารน่ะ กำลังเล่นฟุตบอลนายโยมนทว่างง่วน ง, ง่วงหลับเผลอไปนิดหนึ่งลูกบอลมาจากไหนไม่รู้โยมลอดหวังขาเฉยหน่อยไปตกแกตอนเขาโหบอกชนะเป็นนายประตูไม่ได้เป็นยามเฝ้าหน้าประตูผู้ไล่เดินมาเสียงกลดดังเลยผมไม่ต้องฆ่ามันตายแล้วไอ้นี่เห็นไหม มันไม่ใช่อะโยมรู้ไหมแค่นั่งสมาธิเสียงกิ่งไม้หักลงมานิดเดียนิโอโหมันเหมือนเป็นคลื่นเสียงนะกระทบบุบมึงกับสะดุ้งนะแต่มาเคยนั่งพอถึงจุดหนึ่งที่มันกําลังกํากึงนเสียงจามเสียงไอโยมที่เป็นคลื่นเสียงมันเลยบุบชนปุ๊ บ, บ, บมันไม่ใช่ตกใจนะเขาเรียกมันเป็น ผัสสะที่มีคลื่นมากระทบมันเหมือนกับน้ำนะโย่พอเราโยนหินไปเนะี่ยหินจมอยู่แต่คลื่นมันก็ยังมีเป็นวงกลมๆขยายออกเสียงก็มีคลื่นมีมีคลื่นเสียงแม่สัญญาณที่พวกเรารับโทรศัพท์ก็ยังเป็นคลื่นนะจะทำได้เป็นคลื่นแม่เหล็กือเป็นคลื่นเสียงสุดแล้วแต่แต่มันมีผัสสะมากระทบ ถึงบอกมันเร็วไม่ใช่สะ ก, กิดอยู่สองรอบเดือยตามีอะไรเหรอาบอกก็เลิกปฏิบัติเปหลายชั่วโมงแล้วเมื่อกลังนั่งดีฝันไปถึงไหนแล้วเปว็นดาวดึงมันไม่ใช่นั่งสมาธิออกมาสลึมสลือเนี่ไม่ใช่ คนนั่งสมาธิไม่มีอาการสลืมสลือพอออกมาเนี่ยมีแต่ความสงบนิ่งและกห็หนืดหนักหน่วงเฉยเย็นลืมตามาก็สัมผัสได้ว่าใจเรามันหน่วงยมสังเกตนะวันทีอาจจะมีเสียงได้ยินมีอะไรก็ตามนะอย่านิดว่าไม่สงบนะสมาธิใช่ว่าสมาธิเกิดแล้วไม่ได้ยินเสียงได้ยินทุกอย่างได้ยินหมด แต่จิตยมหน่วงลงหน่วงลงและยมสัมผัสได้สัมผัสได้มันจะมีความหน่วงหรือเป็นความนิ่งสงบละเอียดจริงอยู่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแบบสุดยอดเลยหรือเข้าถึงเวทีนิโรธสมาบัติแต่ก็ถือว่ายังเป็นการทำสมาธิในขั้นคณิกะได้อยู่ อันนะตมาก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้